ตกลงแล้วยนตนเข้ามาหาพวกเร า, าพวกเรายังจะว่าไม่ไม่ได้รับเมตตาเน่ว่าโลโกรปธรามปิการเมตตาปฐมอย่างไรเราทำไมไม่ได้รับว่าไปสานองนี้เพราะเราไม่รู้ไม่รู้จักว่าเราได้อุปถรมมาอย่างไรเมตตานะ่ะ ถบิดามัรดาไม่เมตตาเราเราจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าขอดออกมาแล้วก็ทิ้งเลยอ่าหรือว่าบีบจมูกมันทิ้งซะเหล่าเนี่ยขาดเมตตาก็บีบไม่ได้อีกไม่ดูไม่แล่ขี้ออกมาเยี่ยออกมาก็ไม่ล้างเอาไม่เช็ดเอาตํานองนี้ปล่อยไปตามยถากรรม และจะรอดหรือเปล่าชีวิตลูกทั้งหลายที่เกิดกับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นเราได้รับเต็มเป่ามาแล้วรับมาจากพ่อจากแม่เต็มที่มาแล้วด้วยนับตั้งแต่วันเข้าถือปฏิสติในท้องท่านก็ให้เมตตาแล้วพ่อกับแม่ให้เมตตาล้วดีอกดีใจแล้วมีลูกแล้วได้เป็นพ่อคนาาเราวัแน่ เมตตาอยู่อย่างนั้นภรรยาท้องแก่มาเท่าไหร่สามีก็ทิ้งไม่ได้อีกต้องดูต้องแล้เวลาลุกจะเดินจะเอินอะไรก็ต้องระมัดระวังกันละแม่จะหาของหนักหนักมาก็รีบรับรีบนั่นไม่ให้หาของหนักมีท้องแล้ว ของหนักๆเราจะเอาเองผู้พ่อเขาต้องว่าอย่างนั้นะจะไปหอบประลงวรลังของหนักๆอย่างนี้ไม่สมควรจะขึ้นที่สูงลงที่ต่ำก็ระมัดระวังเต็มที่เพราะว่าลอทอลูกอยู่ในท้องจะทำอะไรจะดีดดินเล่ น, ลนจีฬากระโดดลอดเต้นไปมาเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คงทาไม่ได้ ก็อะไรเพราะเมตตาลูกนั่นเองเมตตาลูกที่ยังอยู่ในท้องกลัวจะแท้งออกมาซะเอะไปเลนจีลาอย่างเก่าไปได้แล้วแม้แต่กินของบางอย่างกำลังอร่อยอร่อยอยู่มีผู้เฒ่าผู้แก่มาห้ามเฮ้ยอีหนูอีนงางทำไมไปกินของอย่างนี้มึงมีท้อง ที่ท้องมาหลายเดือนแล้วทําไมไปกินของเผ็ดขนาดนี้อ่กินท้มตําเผ็ดๆกดๆก็ห้ามกันดันดีไม่ให้กินของเผ็ดเพราะกลัวทารกจะเสียหูเสียตาจะไม่ดีจะแพ้ใจอาหารที่กินลงไปมันเผ็ดออกแสบออกร้อนไม่ดีของเผ็ดๆเป็นอันว่ากินไม่ได้แม้แต่ยารักษาโรคบางอย่าง อย่างไปต้มเจตนุนเพิงเจตตำมลเพิ ง, พงหรือว่าอะไรนั่นเหล่านั้นก็ไม่กินของเป็ดๆร้อนๆกลัวมันจะแทงออกมาลุ ก, ออกมานี่ก็เรียกว่าท่านเมตตาไม่ใช่เลยเมตตาแม่จะกินข้าวฝากแล้วก็คลายถ้าผู้เฒ่าผู้แกมาเตือนอย่างนั้นว่ามันจะเป็นอันตรายแกทารกแกลูกอ่อนในท้อง พ่อแม่ได้รู้เท่านั้นก็คลายทันทีจะอร่อยขนาดไหนก็ตามดังนี้เป็นต้นเรียกว่าให้ความเมตตาปราณีตั้งแต่อยู่ในท้องวิญญาโลโกผัสสะพิกาเมตตาสัตว์โลกที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยมาเพราะได้รับเมตตาจากพ่อจากแม่นี่เป็นหนึ่งละที่แรกละพ่อแม่เป็นผู้มีเมตตา ให้โอกาสได้เกิดเกิดมาแล้วก็ให้เจริญอยู่ในคันทนทุกทรมานอยู่ตั้งกี่เดือนสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเป็นยัง่าทศมาถท่วนกำหนดทศมาถทศมาศก็หมายถึงว่าสิบเดือนถึงจะเต็มบริบูรณ์ไม่บกพร่องทนเอาลำบากเอา ตั้งแต่ก่อนอ่ะไม่เคยอินังขังขอบอะไรเรื่องกับทองกับไส้อะไรนักหนาอยากกินอะไรก็กินตามชอบใจอยากดิงนโลดโดดเต้นยังไงก็ทำไปตามความพอใจของตัวเองอขึ้นต้นไม้ลงต้นไม้กระโดดอะไรได้ทั้งนั้นอ่ะเป็นเปแตมันสูงเกินประมาณแล้วไม่เอา แต่ว่าพอมีท้องแนละ้วทั้งนั้นก็ระมัดระวังที่สุดนอนทับก็เป็นห่วงนอนตะแคงข้างเดียวก็เป็นห่วงองีกเป็นห่วงทารกจะอึดอัดลำบากใจหรือว่าหายใจไม่ออกหรือที่จริงไม่หายใจหรอกเด็กทาลกอยู่ในท้องนะ่ะแต่ว่ามันอึดอัดอยู่ในตัวละไม่สะดวกสบายเลยอย่างเงี้ยถ้านุสนอมเขาเรียกว่า ภูมฟักรักษาตั้งแต่อยู่ในทอ้องตั้งแต่อยู่ในท้องมาขลัาก า, ารการกินทุกอย่างไม่ได้กินอย่างชอบใจเสมอไปอย่างนี้เรียกว่าเมตตายังไม่เห็นหน้าลูกก็มีเมตตาแล้วเมตตาแล้วโอ้ยลูกเราจะปลอดภัยไหมเนอะเป็นหญิงหรือเป็นชายเนอะแต่ว่าสมัยนี้เขา วิทยาการมนทันสมัยเขาไปเอ็กตะเรดูเขาก็รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายอรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายได้อแต่สมัยก่อนลโบราณเราแล้วแต่ตามยถากรรมเป็นหญิงก็จะเลี้ยงเป็นชายก็จะเลี้ยงเป็นอะไรก็จะเลี้ยงขอให้คล อ, อดมาด้วยความอ่มบอุญบูรณ์เถอะเนี่ยเลี้ยงกับเมตตา ถึงขราวจะขอดจริงๆมันไม่ธรรมดานะมันผิดมนุษย์มากกว่ามันผิดปกติไม่ธรรมดาไม่ได้ธรรมดาเจ็บปวดลวดแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะลมกรรมสวัสดเรียกว่ากรรมบรรดาบรรดาให้ปั่นปวนขึ้นมาไปพริกความพริกหงายอยู่ในท้องโดยตนเองอ่ มันพลิกไปแต่ละทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงคนอยู่ในท้องทั้งคนพลิกไปพลิกมา ก, ก็คงเจ็บปวดรวดเล่าไม่น้อยแต่ว่าสมัยใหม่ต่อมามนุษย์มีปัญญาเรีนเรียนวิชาหมอหมอตำแยหมอะดุงคันเรียนวิชามาช่วยการคลอด อ้ามันขัดข้องตรงไหนก็ช่วยพลิกคว่ำให้พลิกไ้ลยังไม่สู่ช่องลอดดีอ่าจะเอาหัวออกหรือจะเอาขาออกจานองนี่มันมันข้องตัวหรือยังถ้าไม่ข้องตัวหมอตาแยก็ต้องรู้ซะก่อนต้องดูตรวจ ด, ดูซะก่อนมันจะคลอดวีดีเอาขาออกก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันปลอดภัยไม่ขัดไม่ขวางพอเอาหัวออกก่อนก็ได้ แล้วแต่มันจะเป็นไปด้วยวิวากของกรรมของสัตนั่นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านประสูทธท่านเดินค่ายๆเดินลงมาเหมือนดังธรรมกะถึกลงจากธรร ม, มาสจะนั่น เ, เวลาจะคลอดพระมารนาก็ไปจ่องจิงไม้จับริงไม้ไมเหนียวริงไม้ไว้ ไม่ให้นั่งเหนียวจิงไม่ว่ากัออกมาเลยเวลานั้นข้อออกมาข้อออกมาก็ไม่ใช่ธรรมดาข้อออกมาแล้วก็เดินไปได้เจ็ดเก้าเดินไปได้เจ็ดเก้าซะก่อนเนี่ยมันมีปัญหามาเติ้ลคนผู้มีบุญทําไมเดินได้คงอยู่ในอยู่ในท้องหลายเดือนัว่างออกมาก็เดินไปได้เจ็ดเก้า พวกสนมกำนันในทั้งหลายพากันเห็นทารกเดินออกไปอย่างนี้ก็พากันน้อยวิ่งตามแล้วก็เดินออกไปได้แล้วเดินไปเกดเก้ากลัวหกลม้มเขาเลยเอาผ้าพระภูษาไปรองรับเอามีเทวด า, านะ น, นางเทพธิดาอคอยเฝ้ารักษาอยู่เอาผ้าพูษาทิพ์ ไปลองรับเอาแล้วจะเอามาล้างน้าแต่ว่าพันมีบุญมีบุญ ม, มากๆเกิดมหาจรรย์ขึ้นน้ำที่จะล้างก็ไม่มีที่สะแห่งนั่นนะสะที่ลุมพินีวันใครเคยไปบ้างที่ลุมพินิวันสะแห่งนั่นเกิดท่อทานทิพย์ขึ้นมามีท่อน้ำอุ่นมีท่อน้ำเย็นออกมาที่นั่นพูดึ้นมาพอได้ล้าง สงสดพระกุมารไม่ให้ล่มนั่นผิดกันอย่างนี้แต่ว่าพวกเราเนี่มีบุญน้อยวาสนาน้อยกรรมจะบางก่อนของเราบางคนก็คลอดง่ายบางคนก็คลอดยากบางตายเก็บกวดรวดเล่าขนาดไหนโอ้โหต่เล่าเรื่อง เมืองอุบณ์ใด้ฟังก็ได้เมืองอุบล น, นนี่เราว่าแม่น้ำมูลนะแม่นำม้ำมูลที่บ้านอยู่ใกล้ๆแม่นำม้ำมูลเวลาภรรยาเก็บทองเก็บทองเก็บทองก็จินยาเตเอทอไม่ใช่เก็บทองอย่างนั้นเก็บใกล้ๆมันจะคลอดบุตรนี่น ะ, ะ, ะผู้สามีก็ อึดอัดใจเราพ่อตายแล้วเนี่ยภรรยาเราจะคอดในตอนจนตว่างใกล้กลกลตสว่างลอลไรทำไงล่ะนั่งกอดเข่าหายใจใหญ่ห้าห้าอยู่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนค้ดยากคิดแคนกลัวภรรยาจะไม่ปลอดไปภรรยาก็ตะวาเดาเอ า, เ, อาเจ้าจะทำไม จะมาหันใจยัยยัยไปแล้วแม่ไปเอิ้นหมอแม่ตำแยน่พื้นมาแม่ธรรมดาไม่เคยไปกลางคืนไม่ไปได้ขี้กลัวขี้ขาดกลัวผีกลัวหมาดุายอะไรนะไปไม่ได้นั่งหายใจพอเมียตวาต่าจังก็โดดบ้านเลยไปเลยบ้านหมอตำแย่ก็คงจะอยู่ไกลพอสมควรน่ะไปแล้วหมาเห่าเป็นแถวไป ก็ไม่กลัวละเวลานี่ยมันพอยถึงบ้านแม่ตาแยและอ่ขึ้นไปบ้านแม่หมอตาแยกกําลังจะลุกขึ้นมาแล้วหนึ่งขง้าวหนึ่งปลาแล้ะโอ้ยบักเทสมึงมาอย่างเงี้ยบักเทสเนี่ยมาคำข้ามืนๆเนาะโอ้ยแม่เอ้ยเขาที่ออกโลกเขาที่ออกลูกเะออกกเขาเก็บท้องเขาจะออกโลกมาธนาแม่เรียก ว, ว่ามาเชิญแม่เขาเรียกว่าถานา เอไปธนาถ้าเป็นพระอาราธนาละานธนาผู้มีวิชาความรู้ขอเชิญแม่ไปดูให้น้อยไปช่วยน้อยเออมันเก็บจวนวเราเลยเก็บแล้วเอออเาแล้วกลับไปก่อนคิดกลับไปก่อนแม่จัดยาก่อนไปก่อนนดไปก่อนไปแขนทวงไวเ้เออแขนทวงไว้ตรงพอดีบรดีแขนทวงไว้ตรงนั้นมันที่ขอนั่นละ ห า, าผ้าผูผ้าอะไรไว้อย่างนี้กลับไปก่อนหน้าแล้วกลับไปก็ไปทําแขนทวงแขนยังไวเรียบร้อยอะไรเก็บค้างอ้ยอ้อยอ้ยเก็บแรงเข้าแรงเข้าอยู่อะไรแม่จัดไดยาเสร็จแล้วจัดไดยาเสร็จใส่ตะกร้าหมากหลืออะไรเรื่อว่ายาโบราณโบราณยาหอมแก่ลมยาดมแก้วิงเวียนอะไร จ, จัดเขามา มาแล้วยายมาแล้ววันนี้ยายมาถึงมาถึงว่ามันเป็นยังไงแขนทัวงแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ะจะแกะไมบนแล้วเข้าไปคํำดูเออมัน ก, กำลังพิกอยู่มันกำลังพิกอยู่ของมันเองอ่ะมันก็มาช่วยหน่อยอมากดหัวลงไปข้างข้างล่างมาพิกขาขึ้นมาว้างอดเอานะ อพิกที่ไรก็โอยเวลานั้นพิกเวลาก็โอ้ยเวลานั้นโอเดาโอเดาอีลาเอเดาโอเดามันว่าอยากหลอกนะแม่มาแล้วแม่มาช่วยแล้วไม่ต้องวองอก็ดีใจแม่ให้กําลังใจถ้าจะเป็นลมไปนยังไงยาดมก็มียาหอมแก่อลมก็มีเอามาใส่ปากให้ท้ามานนี่เจ็บมันเจ็บมันได้ที่แล้วนายหนู มันได้ที่แล้ววันเนี้ยน้าเอ้ยมันได้ที่แล้วได้ช่องแล้วมันจะออกได้แล้วถ้ามันปวดเขานี่เบ่งเลยนะอ่อเขาปวดแล้วแม่ปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วแม่ปวดแล้วพวดแล้วเอาเบ่งเบงเบ่งเบ่งมันกับเมื่อยเพรแรงเราพูดคนนั่นอ่ะพูดสามีก็นั่งกอดเข่าอยู่น้องนั่งรัดเข่าอยู่นุ่งพ้าสหลง นั่งยองยอ่อลัดเข่าอยู่เอาใจช่วยเมียแล้วเกินเวลานั่นแม่สามหมอสามแยบอกให้เบ่งให้เบ่งแรงแรงวะนอบ้านนี่มันเกิดมาเขานี่เบ่งแรงแรงเอาเกินเกเกินผู้สามีเอาใจช่วยเมียเกิดไปก็เลยเบ่งช่วยเมียพเพราะเบ่งช่วยเมียอะไรมันจะเกิดขึ้นหรือเนะ่าเนี่ย พราะตัวเองไม่ได้ไปห้องน้ําห้องร่มแต่เช้าเลยไม่ได้ไปกําลังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วก็เกิดเกิดเมียเึิดจำเมี ย, ม, ยมันระโวดออกมาเลยสามีนะย้อนโอนตนพาสลงโอนตนเลยโวยตายระโก <c oughs> เมียยังไม่ออกผัวออกก่อนเลยอันนี้ใกลใกล้แม่น้ํามูนะ้นนะนี่เป็นความจริงน โอ้ยตายแล้ ว, วนเนี่ยพูดแม่หมอจำแย่เขาได้กลิ่นได้กลิ่นเออบางนั่นมันเป็นยังไง อ, อ่ามั น, ม, นมันเบ่งทอยเมีย่ยวมันว้าได้กลิ่นขึ้นมาอย่างนี้เนะ้ะนะกระโดดบ้านไปเลยจีหลงไปอาบน้ำออจีหลงไปตกผ้าพร้อมไปซักผ้าพร้อมไปก็ไม่ฟังอีล่าแล้วโดดน้ำเลยไปถึงแม่น้ำมูลแล้วก็โดดตามเลยเ อ, อ่า คนที่กำลังคู่คู่ตุ้มอยู่กู่ตุ้มคู่อีจู้เน่ะกำลังคู่ตุ้มอยู่กำลังยาำตุ้มของตัวเองอยู่ตกใจคนอะไรมาโดนน้ำเช้าแท้อะนะตามเต้าแต่มันเป็นอะไรอ่ะ ก, ก็เลยลุกแอบผงหัวขึ้นมาอา้าวอีลุงว่าอีลุงเจ้าจะไมโดนน้ำเต้เดาแค่อ่ะโอ้ยกูหอนกูหอนโน่นนะันล่ะ อกูฮ้อนกูฮ้อนฮอนเจ้าเบียงยังว่าแก้ผ้าแก้เสื้อตะพ้อนที่จะกระโดดเอ้อยกลูว่าที่ตกมันจะโดนแล้วซะงั้นแย่ไปคุณนําคุณกนกูว่าที่ซักกูทีว่าที่ตบมันจะโดนโดนแล้วเอ่าเลยโดดทั้งชุดเลยล่ะเกสร้างมันจะซักมันพ่อมาแล้เรียบร้อยโดดลงน้าแล้วก็ซักเสื้อซักผ้าแล้วก็ปิดมาปิดมาพันแล้วก็ถอยนุ่งเข้ามาบ้านเนี่ย กรับมาบ้านพอดีภรรยาเลยคอดบุตรกันแล้วไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ลูกเกิดเลยเพราะตัวเองมีอุปสรรคอุปสัรคสำคัญหนื่งโดดบ้านไปก่อนหนังนี้ล่ะเรียกว่าเอาใจช่วยกันทั้งพ่อทั้งแม่เอาใจช่วยกันขนาดนั้นอคอดแล้วม่มอม อ, ออกดีแล้ว อ, อยู่ นอนแม่แนามแล้วกลับมาดังไฟไว้ให้แล้วเพื่อกันตะคิวดังไฟกอ่ก อ, อกองไฟไว้ต้มน้ำร้อนไว้หอมำน้ำว่านน้นำยาไว้เรียบร้อยแล้วไปนั่ง ใ, ใ, ใกล้ไฟกลัวมันจะเกิดตะคิวขึ้นเวลาเลือดออกมากมา ก, มากนะหาวิธีช่วยกันอย่างนั้นเอายาหอมให้หลมเอายาหลมให้กินแก้วิงเวียน ก็พออยู่กันได้แต่ว่าพอลูกคลอดออกมาเท่านั้นแสงตาของแม่นะ่ะไม่ได้หนีไปไหนเลยมองลูกอยู่นั่นแหละมันดิ้นได้ยังมันดิ้นแง่แ่ยงเห็นลูกมือแงๆแง่ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เออดีใจดีใจว่าลูกยังมีชีวิตรอดปลอดภัยดีแต่ตัวเองเก็บกวดรวดร้าวขนาดนั้นไม่เคยคิด พยายาบาตลูกเลยไม่เคยอาฆาตลูกเลยเอขอให้ลู ก, กปลอดภัยเป็นพอตัวเองจะขี่ขาดขนาดไหนตกเลือดตกยางมากมายขนาดไหนไม่ค่อยห่วงตัวเองเท่าไรนักกินน้าร้อนลงไปบ้างอะไรลงไปบ้างกินว่านกินยาลงไปบ้างมันก็ค่อยหยุดหายไปหายไปเลือดทั้งหลายเอเอ่ถึงมันออกก็ออกน้ำข่าวปลาไปอย่างนั้นนะเอ่ะ เลือด เ, อเอแท้มันก็หมดไปแล้ววะเนี้ยต่อแต่นั้นมาก็ะินน้ําร้อนนอนไฟเอาหลังใส่เพื่อให้มันมดลูกเขาโอเอาท้องใส่เอเพื่อให้มันเลือดหลมดีจนท้องลายมันเป็นปวดไฟนะใครใคมีลูกทุกคนนะเอาท้องใส่เอไฟ ร้อนจิตดแลก็หันหลังใจหลังอะหันใส่นานๆก็ร้อนจี๊ดอ่กอหลังก็พองอเพราะว่าไฟมันกระเด็นกระดอนใจหรืออะไรหันหน้าใส่หันท้องใส่อยู่อย่างนั้นละจีวันจีคืนอยู่คำคำเดือนจีวันจีคืนลําบากขนาดไหนก็ทนเอาอลูกเอเวลาใดลูกแอะเ อ, เ อ, เอ เวลาใดก็มือถึงสายเปรเวลานั้นถึงสายอูเวลานั้นได้อยู่ในกระด้งยังไม่ได้นอนเปรนอนอูเขาเขากันแอะเวลาใดก็ตกไปงมอยู่กับลูกก็ละอ่ะมันเป็นอะไรมันถึงร้องอไฟน้ำใส่ปากให้บ้างกลัวจะคอแง่งอกินนมยังไม่เป็นถาแอะแอะแอะขึ้นมาปากแดงๆแล้วก็ ปายน้ําเอาเนิ้วมือใส่ปากให้น้ามันไหลลงในเนิ้วมือน่ะค่อยๆดูดไปแล้วก็ดูดไปแล้วดูดดูดน้ําไปแล้วดูดยุกยุกดูดที่มือแล้วเออ่ดูดไปแล้วต่อมากันน้ํานมก็กินน้ําร้อนลงไปก็ค่อยมีมาโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นพอมีนมแล้วจึงค่อยเอามาดูดนมมาดูดนม อตั้งแต่ก่อนไม่เคยเห็นให้ใครเห็นนมหรอกปิด อ, อย่างดีพอมีลูกตัวนั้นอ้าวสามธัวมันลปล่อยเลยเอานมใส่ปากลูกแล้วก็ให้ดูดอยู่นั่นแล้วอ่ดูดข้างหนึ่งแล้วก็ดูดข้างหนึ่งถ้าลูกดูดเจ่งๆน้านมก็มาได้กระดวกเพราะมันไม่อุดตันแต่าบางรายเนี่ยมันนมหลงหู นมหลงงูหลงรูมันออกไม่ได้มันเบงมันตึงอยู่นั่นแหลอแม่ก็ต้องแม่ยายนุย่นกูเป็นยายกูเป็นแม่นะ่ะค่อยๆมานวดมาบีบออกให้มันที่รีดออกมามันรีดออกมามาวมันหลงงูแรงๆเอาส้นเอาส้นกี้เอาเอาส้นกี้นมนะ่ะไถไปไถมาให้มันออกมาเป็นรูได้สะดวก เดิมันออกได้พอใจแล้วก็จึงหยุด อ, อย่างนี้ยังได้กินนมตั้งแต่นั่นมาบ่านนี้ก็คงพักรักษาลูกอยู่นั่นแหละเั้งอยู่ไฟตัวเองบ้างเั้งดูแลลูกบ้างอยู่ไฟจีวันจีคืนแต่ว่าสมัยใหม่ เ, เขามีถุงยางมีถุงน้ำร้อนใส่น้ำร้อนเอามาประคบที่ท้อง ประคบหลังบ้างประคบที่ท้องบ้างอย่างนี้อ้าหมอสมัยใหม่เขาทันสมัยดีเขาจัดยาให้อยู่ปืนอยู่ไฟกินยานี่ก็แทนปืนแทนไฟได้อ่หมดลูกก็เข้าอูได้ง่ายดีถ้าอยู่ไฟไม่ได้ก็มักจะผิดจินผิดจินผิดจินผิดจินผิดอะไรหลายๆอย่างอ่าไม่ไม่เลื่อนลมมาไม่หมดไม่ดี อ่าอย่างนี้แหละน้ําใจของแม่อ่าที่ภูมิภักคลาลู ก, ลกตั้งแต่เป็นสาวจอยกล้วยเกี๊ยกลมโบยักขี้อีนั่งเอ้ยวันวาโบราณวันวาอนเป็นสาวจอยหนอวน้อยๆกล้ว ย, ยเกียกกลมโอยักขี้บัดว่าไดลูกน้อยระบายขี่ก้อนง่ายเลยขี่พืชออกมากระบายขี่ลูกแล้วกันเนี่ยเหมืยนมัดอัดนี้เอากันแล้วกอน อวางวันอกําลังกินข้าวอร่อยอร่อยมันเกิดอึขึ้นมาปืดออกมาอยู่คาตักเนี่ยเอากรบวันนีก่อนกรบวันนีก่อนกินข้าวไปก่อนไอ้มันอยู่นี่ก่อนเออยู่นี่ไปก่อนกินเข้าวอีกเวลาจะหอบทั้งลูกทั้งผ้าแล้ว ไ, ไปไปล้างเอาเอาล้างลูกแล้วก็เอาลูกใส่ที่นอนเก็เปรไว้แล้วก็ไปซักผ้า ซักป้าที่ลูกนะแต่เท้าสาอแต่เป็นสาวจอยคั้วเกลียกตุ่กขี่ว่าได้บัตรบัรได้ลูกหน่อยบายขีคอนง่ายเลยผมวนะ่าลแมนบอเอุ่นเคยเดียงลูกกกห้องรอยักดีนี้เรียกว่าน้ำใจพระแม่เป็นน้ำใจพระพระพุทธเจ้าสารเสินว่าอามุนเนยะปุกขโลจะ บุคคลจะเปรียบเหมือนพระอาหารหันต์ก็คือพ่อกับแม่นั่นเองน้ําใจพระไม่เคยขี้เดียดไม่เคยลรำเกียดลูกเลยถึงจะเยี่ยวจะอึกไฟก็ช่างไม่เป็นไรําลังกินข้าว อ, อร่อยอร่อยผมไม่โกรธลูกเลยถ้าเป็นคนอื่นมาขี้ใจพาเข้าเราอย่างนั้นจะเป็นยังไงอ่ะคนอื่นมาขี้ในต่อหน้าต่อตาอย่างนั้น ก็คงหน้านิ้วคิ้วขมวดเกลียดอาจจะด่าว่ากันต่า ง, างนานาเอลูกอึ อ, ออกมาเฉยยิ้มจะด้วยซ้ำไปเวล า, าเวลาลูกอึยังดีใจกว่าลูกลูกคัดลูกเบกเนื้นะมันยืงท้องขึ้นไม่อึเลยอึไม่ออกเลยขี้ไม่ออกเลยเบอยุัอดอุัดอย่างนั้นเป็นทุกข์มากกว่า เป็นทุกข์มากกว่าที่ลกูกพื้นปาดออกมาได้ถ้าลกูกพื้นปาดออกมาได้หัวใจของแม่นี่ลงโอ้ยสบายแล้วความขิดเดียดลังเกียดไม่มีเลยอย่างนี้อพอปล่อยกระโกยไปเลยพอมือคอยกระโกยไปเลยไม่ต้องห่วงแม้จะทาเล็บแดงๆอย่างผู้หญิงสมัยใหม่ทาเล็บแดงงามขนาดไหนสวยเล็บแพงเหลือเกิน พอได้ลูกน้อยเท่านั้นเอามือโขอยขี่ลูกอไปเลยลูกไปเลยเอาให้หมดเช็ดให้หมดก่อนเพราะมันจะเพลินไปนเลยเท่าไปที่อื่นออ่าบายขีค่อนง่ายกว่า น, นะถ้าแต่แต่งเล็บแต่งหน้าทาเล็บขนาดไหนก็นตามก็ไม่หมดสวยหมดงามแล้วเสียสละได้ทุกอย่างดังนี้ลูกแอเวลาใดก็ถึงสายเปเวลานั้น พูที่เจ้าท่านยังสรรเสริ ญ, ญ, ญไว้เป็นหลายนายอ้าวมณเฑียะปุกโลจะวังเป็นพระอรหันต์ของลูกนะลูกพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกให้อภัยแก่ลูกได้ทุกอย่างไม่เคยโกรธลูกเลยไม่เคยด่าว่าลูกเลยไม่เคยตีลูกเลยอ่ามีแต่ออยเอาทั้งนั้นไม่ให้อลูกผิดใจอะไรเลย จะล็อกใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนก็ตามจะดื้อจะสนขนาดไหนก็ตามแม่ก็เป็นหว่วงกลัวจะตกบ้านตกช่องอวิ่งไปมันจะลงบันไดไม่โผก็เปว้าวิ่งไปรับเอาอยากจะไปวิ่งเล่นแล้วโตมาแม่ก็ต้องเอาภูมิฟักรักษาอยู่อย่างนั้นจนจะช่วยตัวเองรอดแตก่อนทำยังไงช่วยตัวเองรอดกินข้าวเอาเองเป็น ไปถ่ายเป็นล้างหน้าล้างตาเป็นล้างตูดล้างอะไรเป็นแม่จึงจะหมดภาระไปตั้งแต่ทําอะไรไม่เป็นนะแม่มีภาระมากที่ติดในการเลี้ยงลูกอาพุงฟักรักษาอดตาหลับขับตานอนรีนไม่ให้ใไตไรไม่ให้ตอมอถ้าลูกไม่สบาย เป็นวันสองวันเพราะอดนอนสองวันสามวันบุร ะ, ะจนปวดจะลูกปกติเมื่ก่อนจริงจะได้หลับบ้างถ้าลูกร้องให้เวลาใดมือก็คว้าใส่เปรใส่อูเวลานั้นตัวเองก็นอนหลับไปมือก็หลุดจากอูใส่แป้นโปกจยงค่อยเออหูเมียขึ้นมาอีกอยู่ยังไงล่ะเท้าใส่ใหม่อยู่งั้นนะถ้ามาร้องไม่หยุด ก็มือก็ทรวงทะลวงเข้าไปในในอูเลยในเปนทะลวงไปหาตูดมันเปียกหรือเปล่ามันมันเยี่ยวหรือเปล่ามันอึหรือเปล่าก็ถูกอึอเขาก็ช่างมันมือเอ้ยมันขี้จริงจิงอ่าจุดปืนจุดไฟหน่อยเถอะมันเปิดไฟ้ะจะมีตสวีไฟก็เปิดไฟสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าต้องจุด กระไดกระเตียงหรือเทียนหรืออะไรสักก่อนให้มันสว่างสักก่อนเด็กก็งมเอากันต่อไปเป็นอย่างนี้มาทุกไลน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณของแม่เหลือล้นพ้นประมาณอ่าภูมิฟักรักษาเป็นสละเสพไว้เป็นอาจารย์บ้างอ่าบูรพาจารย์เป็นบูรพาาจารย์เป็นอาจารย์ต้นสอนก่อนครูทั้งหลาย สอนให้ลูกรู้จากน้ำรู้จักไฟลู้จากร้อนรู้จากหนาวลู้จักสิ่งใดมันกินได้กินไม่ได้อะไรจะเอาเข้าปากหมดทุกอย่างอันนี้มันไม่ได้สกปรกจะเอาเข้าปากไม่ได้ตีไหวไม่จับไม่้น่นแม่เอาไม่ทันก็อือออกมาก็กรรมอะไรเอือจะคลองใส่ปากก็มีไม่รู้จากภาษาอะไรเลยอย่างนี้ น้ำใจของแม่นะ่ะเหลือเกินนะแม่เนี่ย เ, เป็นว่าเปรียบว่าคุณพ่อนี่นักเกิงไพ่หารคุณแม่เนี่ยย่างบา่อป่านคุณพ่อหรอกลินกันเข้ามือคุณพ่อนีอ่นักเขาเบาชู้ทำงานหนักตลอดวันตลอดคืนพูดหาอะไรต่ออะไรจะยิงลูก กินเป็นทะก่อนวะลูกกินอาหารเป็นทะก่อนยิ่งหนักพ่อหนักมาก เ, าเคยพูดว่าแม่อยู่กรรมคาเดือนท้องลายหลังลายเราไปเทศอยู่ด่านซ้ายไม่ใช่ลายแต่แม่นะพ่อก็ลายเหมือนกันพ่อก็หลังลายเหมือนกันท้องลายเหมือนกันนี แม่คนหนึ่งเถียงกันมาไม่ลายไม่ลายไม่ลายต่อแม่ไม่พ่อไม่ลายเฮ้ฟังดีๆก่อนนะมันไม่ลายตอนอยู่ไฟหลอกมันลายตอนนี้ตอนลูกกําลังกินเนี่ยเอกินน้าพริกก็ไม่ลายกินอะไรก็ไม่ได้ร้องให้กินแต่ปลาปลาปลาเยอะเงี้ยนะไม่มีปลามีคบมีเกีดรตให้กินกินไม่ได้อีกตั้ง เอาละป่ะเนี้มื่ก็้อยู่ไหนปลาหนองไหนมันมีเออ่เขามีปลาห้วยไหนหนองไหนปลาชมหน่อยต้องไปแต่ว่าเขาอามักห่อยพันหลายมองหนองน่ะหนอยพันห ล, หลายหลายกระชังมันขอให้ในปลาเอา่ให้ลูกกินบลาเอาแล้วหวานแหเลยงมเอาปลาเลยเอาจนเต็มข้องก็แล้ว พอได้ปลาสมมักแล้ขึ้นมาที่ล้างแห่ล้างอะไรแล้วขึ้นมาจากน้ำพอมาถูกแดดท่านั้นมาเนียแหมมันคันไปหมดทุกแห่งเลยทองก่อคันหลังก่อคันหัวไหไ่หัวไดนคันไปหมดทุกแห่งเลยอยากจะนอนกิ้งกับขี้ดินตายเล้วเกินมันคันมากๆอ้าวกลับบ้านแล้ะก่นพอกลับไปบ้านคราวนี้ตากแห่ไม่ทันวะละ จะตากแหะซะก่อนมาตากแหะกับมานอนอึบลงแม่มันเอ้ยแม่เอ้ยแม่มาเอาน้อยมาเอาน้อยเอายาฉุนกับปูนมาผสมกันดีๆแล้วผ็มาแกะให้หน้อยแกะนี่ตุ้มนึงนี่ตุ้มนึงเออนี่ตุ้มนึงนี่ตุ้มนึงแกะไปบดทั้งท้อง ท, งทั้งไตพี่ละทลั้งหลังก็เต็มเอานิ้ เอานี่มีเล็บกี้ลงไปให้น้ำเหลืองมันออกตะกอนจังเอาปูนกี้ลงไปกับยาสุนกี้ลงไปอ่าแสบกิ้วพี่แห้งบอกขันกี้ลงไปมีแห้งจํำอันี้ตุ้มหนึงนี่ตุ้มนึงนี่ตุ้มนึงโอ้บัด น, นี้มันหลายเอมันลายกว่ามันลายกว่าแม่บัดเนี้ยลายทั้งตัวเลยบัเ น, นี้ยพ่อเนี้ยพ่อถูกมังหอยคันจินเอาปูนกับยาสุนไปแกะ แมมทั้งตัวเลยเหลือแต่หน้าพีละหน้าก็ยังมีว่างอืม น, นี่เรียกว่าพ่อกับหลังลายเหมือนกนอาเรเลี้ยงลูกทนเนาน้องไหนมันมี่าค่าอยกันกินหลายๆแลวกโตลายทั้งตัวละอย่างนี้เข้าไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่แล้วอยายามกบห้องยามเขียดกร้องอื่งห้อง อ่ามันร้องมาแล้วถ้าไม่ไปก็ไม่มีอะไรจะให้ลูกกินอีหล่ะต้องไปกัางค่ากลางคืนก็สร้างมันโอ้เงี้ยวเคราะห์พร้อมไม่ับกลัวทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าจะไปเอากบไปเอาอื่นไปเอาเกลยดอะไรใส่ข้องใส่มามาขังใส่หม้อไว้ให้ลูกกินอขนาดนั้นละเวลาปลาขึ้นเวลาปลาขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้นอนละ ขนเอาปลามาไว้ใส่ไห้ใสอ่งไว้สาหรับเลี้ยงลูกเนี่ยตาแต่ว่าบ้านเราจะมีอย่างนั้นหรือเปล่านอเราอยู่บ่านนอกเหมือนกันพ่อพ่อเป็นอย่างนั้นพ่อทำอย่างนั้นหามาเลี้ยงลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วแต่ฝนตกมาน้ำามีมาอึ่องวันร้องปลามันขึ้นไม่ได้อยู่เฉยๆออกอไปเอามาจนได้ละ อไปคนเดียวก็ได้ไม่ต้องอไปไม่ได้กลัวงูจะกัดอะไรจะขบไม่ได้ว่ามืดมืดเีด้วยครับไฟฉายก็ไม่มีไฟได้มองไปท่านเป็นอย่างานั้นน้ําใจของพ่อเป็นอย่างว่าความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับจะหาไม่ไม่มีใครบังคับมันเมตตาปราณีเอง ลังให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากภาค้าสุราลัยสู่แดนดินอันนี้เป็นพระนิพนธ์ของรนเก้ารัชกาลที่หกท่านว่าไว้อันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไหม่ลังให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากภาค้าคสุราลัยสู่แดนดินคือน้ําใจพ่อใจแม่ลังให้ลูกนั่นเอง รังให้แก่ลูกลืมตาอาปากขึ้นมา ห, ห้องร้องให้อยากกินนั่นกินนี่ไทยจะหาอะไรมาป้อนให้ต้องวิ่งวุ่นหาจนได้หาจนพบจนได้ละมันจะยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาใครก็มีพ่อมีแม่ทุกคนอ ย, อยู่นี่นะน้ำใจพ่อใจแม่ของทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นห่วงลูกมากมากเลย พราะนั่นแปลว่าเทวดาของโลกเป็นเทวดาของโลกคนแรกเป็นผู้ให้เมตตาปราณีแก่ลูกคนแรกคือพ่อกับแม่นั่นเองผู้อื่นมาทีหลังหรอกผู้อื่นมาทีหลังอย่างว่าเราจะไปเข้าโรงเลง่ารงเรียนได้ก็โตแล้วพ่อช่วยตัวเองได้แล้วรู้จักที่รู้จักเกี่ยวรู้จักกินรู้จั นั่งอจากนอนแล้วรู้จักพอรู้จักภาษาพอสมควรแล้วถึงจะไปเข้าอนุบาลหรือว่าแค่พอหนึ่งพอสองก็เปาได้ครูเรื่องมาสอนทีหลังพ่อแม่เน่ยสอนให้รู้จักพริกจักเกลือรู้จักเผ็ดรู้จักเค็มรู้จักก้างรู้จักกระดูกรู้อะไรรู้ทุกอย่างรู้สกปรกพ่อแม่เป็นคนสอนเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์ต้นของลูก พ่อคับแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกสอนลูกสอนเต้าให้รู้จักผสมภาษาให้รู้จักป้าจักลุงจักปู่จักย่าจักตาจักยายด้วยจักพี่จักน้องพี่ป้าน้าอาอะไรให้รู้จักกันไปหมดก็พอกิริยามารยาทอ่ก็สอนให้ด้วยเฮ้ยจะทำอย่างนั้นกับผุ้เต่าคูแกเฮ้ยป้าลุงมาพ่อตาไม่นาย ยกมือไหว้ดิยกมือไหว้สอนให้ไหว้ให้กราบให้จัญญามารยาทอะไรก็มันดีไว้อ่าตั้งแต่น้อยๆฝึกแต่น้อยๆเห็นพระเห็นเจ้ามาเอาทูทูทสวัสดีทูทูทอยูง่งัง้ยนะลูกทําไม่เป็นก็ทําให้ดูทําให้ดูต่อไปต่อมาลูกก็ทําเป็นดูจั ก, จกนกรู้จั ก, จกไหว้รู้จักยกมือขึ้นมาจินญามารยาท พ่อแม่ก็สอนให้เหมือนกันเป็นว่าคําพูดจะบอกภาษาคําพูดนั้นบอกภาษากิริยาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลเอถ้าตระกูลดีๆเขาก็อบรมลูกได้ดีถ้าตระกูลเลวๆก็มีแต่ด่ากันให้ลูกฟังเอห่าจิตเมื่อยผีจิตเมื่อยต้มตับต้มใจเมื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เอาแต่คำหยาบๆมาสอนลูก ลูกมันก็นเรียนจากพ่อจากแม่ส้ว่าคำหยาบๆต้งหลายเอผู้ที่มีตระกูลดีเมันไม่พูดคำหยาบให้ลูกได้ยินหรอกคำหยาบๆไม่พูดหรอกอย่างในหลวงก็พ่อระหลงมราชินีท่านจะสอนลูกหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีแม่แต่หมาพักก็สอนให้รู้จักภาษาได้รู้จักความ ไอนนะ้ทองแดงบ้นนะ่ะไอ้ทองแดงบันอ่ะสอนให้รู้จักภาษาสอนให้รู้จักเข้าลบนกอกรู้จักจัญญามาายาตรรู้จักนั่งเฝ้ารู้จักแขกใครอื่นไทยกายรู้จักแขกตนแขกตัวรู้จักอา่าจนได้เป็นคุณหญิงคุณหญิงก็มีคุณหญิงแดงคุณนายนั่นคุณนายนี่คนใจ ช, ชื่อของหมานะ่ะ พอหามันมีมารยาทดีถ้าพวกเราอยู่ในตระกูลขนาดนี้ก็คุณคัูสอนโลกให้รู้จักกิริยามารยาทบ้างคําพูดบอกภาษากิริยาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลบอกชาติก็หมายถึงว่าชาติอะไรชาติชาติราวหรือชาติเขมรหรือชาติอะไรอะไรชาติต่างๆ ถ้ามันเป็นกิริยาบอกชาติมัลยาิบอกตระกูลตระกูลดีก็ฝึกให้ลูกมีมัลยาธดีมีจัญญา ม, าามัลยาธมีกิริยาขรรคมีสัมมาคารวะสอนไปเร น, น่อยๆอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเราก็มีพ่อมีแม่ทุกคนแล้วเราก็จะมีลูกมีหลานต่อไป ไม่ใช่จืธรรมดาแค่นี้นะทำไงลูกหลานเราจะเป็นคนดีทำไงแล้วจริงๆจะเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูถ้ากิริยาดีมารยาทดีใครๆก็รักแม่ไปเข้าโรงเล่าโรงเรียนครูก็รักเมตตาไม่คอยตีไม่ ค, อ ย, มคอยว่าแล้วถ้าซนมากเกินไปครูก็เครียดเอาตีเอาแต่ว่าผิดใจพ่อใจแม่จังแล้วถ้าพอถ้าครูตี หนึ่งไปยังงั้นพ่อแม่มันเก็บแทนลูกแล้วอย่างนี้เกิดเลือกเกิดนั่นกันฟ้องกันถึงโรงถึงศาลก็มีพ่อไปตีลูกเขาเอา่อาอันนี้มันบามบาป ม, มาไกลอ น, นั่นนะอันนี้พูดถึงพระคุณของพ่อพูดถึงพระคุณของแม่ที่ทุ่มเทให้แก่ลูกๆให้ได้ทุกอย่างาแต่ว่าลูกๆทั้งหลาย ถ้าเป็นคนดีก็รู้จักรู้จักพ่ะคุณของพ่อของแม่ไม่เถียงไม่เถียงพ่อไม่เถียงแม่ไม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้มอรดกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไล่ไม่ได้น่าไม่ได้ลั่วได้สวนก็เกิดพ้องเกิดร้องกับพ่อกับแม่ก็มีเอเอเ้าวทําไมจะไม่ได้มอรดกมอรดก เกตาผมโลมาขนขาเล็บจันตาฟันตะโจนังมังสังเนื้อนะาะูเอ็นทั้งหลายเหล่านี้ธาตุดินทั้งหลายเป็นพ่อเป็นของพ่อพ่อเป็นคนให้หลวงปู่มั่นท่านว่าอ ะ, อะไรอะสัมาวทาตสัมาวทาตของพ่อของแม่แเสมอกาะ ส่วนพิดตังน้ําดีเต็มหาน้ําะเลดบุกโพน้ําเหลืองโลหิตตังน้ําเลือดเสโหน้ําเงือเมทน้ํามันคดอัสูน้าตาภสษาน้ํามันเหลวเขลอยน้ําลายสิงขาริการน้ามุกระพิการน้าไขขคอบมดตังน้ํามูดน้ําทั้งหลายนี่เป็นธาตุของแม่แม่ให้ให้ตั้งแต่ผสมกันมาเวลาต่อมาก็มาดื่มนมแม่แม่ก็ได้ไปเลี้ยงหลอเลี้ยงร่างกาย น้ำทั้งหลายเป็นธาตุของแม่นะ้าธาตุน้ำโมธาตุดินเพื่อให้แล้วให้ครบบริบูรณ์แล้วได้มาเป็นแขงขาตีนมือหูตาอาวัยวะทุกส่วนเป็นธาตุของพ่อของแม่บวกกันแล้วมันกาะลลัชณะเปส็สีแตกแขงแตกขาแตกหูแตกตาแตกกลับแตกตาย แตกไส้แตกพุงแตกระบบทางเดินต่างๆเป็นธาตุของพ่อของแม่มันจําแนกแยกแยะโดยอัตโนมัติกำมังสแตวิพัสเตะแล้ววิบากของกรรมหากตกแต่งให้ถ้ากรรมดีมาแต่ก่อนเราก็ได้ลูบลางดีถ้ากรรมชั่วมาตกแต่งเราพร้อมด้วยได้ธาตุของพ่อของแม่ก็จริงแต่ว่ากรรมชั่วมันตกแต่งให้หนาะตาเหล่ มือหยิกติ้งหนักไปตาตามันติดกันโอ้ยไม่ดีอ่าเพราะว่ากรรมชั่วมันมาตกแต่งร่างกายเราแต่ว่าได้วัสดุจากพ่อจากแม่แลว้วก็จินแต่ว่าเวลามาตกแต่งนะกรรมเป็นผู้ตกแต่งนะกรรมของเราแต่ปางก่อนเราเคยเบียดเบียนสัตว์ตีตัดให้ขาหาักตีตัดให้เสียอวัยวะทุกพลาภาพไป อะไรทรมานจัดต่างๆนาๆนากรรมชนิดนั้นมันตามมาตามมาให้ผลแก่เราเราได้รูปร่างก็ไม่สมประกอบชอบใจมีแข้งก็ไม่ซ้าขาก็พวกเกิงแต่แล้วบาดเนี่ยอ่วกคือเขาเกิดมาก็เป็นง่อยเป็นเปี้ยวไปไม่เหมือนเขา เพราะว่ากรรมบังของเราแต่ปางก่อนเราทำอะไรไว้เราต้องได้รับผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงทาเลือกทำแต่กรรมดีๆกายกรร ม, มังวิจิกรร ม, มังวันโอกรรมบังทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นต้นกรรมกรรมอันนี้ถ้าเราทำดีอยู่เรื่อยเรื่อเราก็จะได้ลูกสมจะนมพันสมประกอบชอบใจ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนําให้รักษาศีลเนอรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนอสร้างกรรมดีไว้อย่าให้ไปทรมานละกรรมกับสัตว์อื่นเนออ่าถ้าไปทรมานกับสัตว์อื่นมากมายเกินไปมันจะเป็นกรรมเป็นผลของกรรมอ่าเราเรียกว่าอะไรอะของกรรมน่ะผลของกรรมเป็นวิบาก กรรมวิปาเกณสัตตานังก ร, รมปัจจะยาเป็นวิบากของกรรมที่ตนได้ทําจนชินจนเคยแล้วกรรมชนิดนั้นจะตามสนองเราให้เราได้รับผลเต็มที่อไม่ได้ธรรมดาเาต็มภูมิทีเดียวเราทํากรรมอะไรไว้แต่ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นแข่งบอซ่าขาบอเกิร์น ผิวดำผิวข่ำผิวอะไรเราเนี่ยมันมาจากวิบา ก, กรรมกรรมแต่ปางก่อนเ อ, อเป็นว่าอย่างนั้นคนทำไมถึงไม่เหมือนกันมีปัญหาถามขึ้นมาในในพระสูตรปัญหานั้น อ, อ่อะไรอ่ะสุภาษมานบเป็นผู้สงสัยสุภาษมานพเป็นผู้สงสัย สงสัยว่าคนเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันหนอนี่เนาะบางคนก็อายุสั้นพัลันตายบางคนก็อายุยืนยาวนานทําไมไม่เหมือนกันบางคนก็มีโลกมากบางคนก็มีโลกน้อยก็ไม่เหมือนกันอีกอทำไมบางคนก็ตระกูลสูงบางคนก็ตระกูลต่ํา ทำไมไม่เหมือนกันบางคนก็ผิวดําบางคนก็ผิวขาวทําไมไม่เหมือนกันหนอหน้าตาบุคลิกลักษณะก็ไม่เหมือนกันอีกมันเป็นเพราะอะไรหนอมีความสงสัยเป็นนักเป็นหนามีโอกาสจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยังเด็กยังหนุ่มอยู่หรอกแต่ว่าพิจารณาแล้ว มีความสงสัยเป็นนักเป็นหนาพะเจ้าค่ะสุภะเธอ่ะมีความสงสัยอะไรเหรอสงสัยมากๆะเจ้าค่ะว่าคนเกิดมาถึงไม่เกิดมาในโลกนี่ไม่เหมือนกันพัะก่อนเดียวหน้าตาก็ไม่เหมือนกันบุคลิกลักษณะก็ไม่เหมือนกันผิวก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ผิวดำบางคนก็ผิวขาว บางคนก็มีโลกมากบางคนก็มีโลกน้อยบางคนก็เกิดในตระกูลสูงบางคนก็เกิดในตระกูลต่ำเหล่านี้แหละบางคนก็มีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีอายุสั้นพลันตายอ่าพระทีเจ้าเลยตัดว่าเออความสงสัยของเธอของสุภะมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์มาเอาสงสัยอะไรว่าไปนะ ว่าใบาสงสัยว่ามาเราจะพยากรให้ไอ้ข้อต้นนะั่นคือว่าเกิดมาอายุยืนเกิดมาอายุสั้นเอาข้อนี้ซะก่อนคนที่อายุยืนนั่นตั้งแต่่างก่อนตั้งแต่ชาติตั้ง่อนจะเป็นมนุษย์อยู่น้นนมีความยินดีในการรักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่เบียดเบีย น, ยนชีวิตสัตว์อื่นเลยรับสาสินให้เด็ดขาดมาเรื่อยๆ เ, เป็นผู้รู้จักโทษรู้จักกรรมทำจนเป็นอาชินจนชินจนเคยสมทานตั้งมั่นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะคายแตกดวงวิญญาณดวงนั้นเย่อมเข้าถึงสุกติโลกวรวค์ ไปสวยทิพยสมบัติอยู่เทวโลกสิ้นการชาดานเทียนนาสุภาถ้าพ้นจากนั้นมามาเกิดในมนุษย์โลกเัาเขาเจะเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเลยไม่มีโรคไฟเบียดเบียนเลยเออส่วนคนที่มีอายุสั้นโมลรันดายนะสุภามันน่าสละกังเวทมากเพราะเขานั่น เป็นนายพันเนื้อเป็นนายพันปล า, าข่าเนื้อเบือปลาทำมาหากินเบียดเบียนตัดเป็นอาจินทำอยู่อย่างนั้นจนเป็นอาจินจนคินจนคอยสมรทานตั้งมัน่นไม่เคยลดละเลยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนาลกสวัยทุกขเวทนาแสนสาหัตสักันทีเดียวหนะทุพภะ ถ้าพ้นจากนั่นม า, าเนี่ยมาเกิดหน้าที่ไหนๆก็ดเีเกิดมาแล้วมีอายุสั้นพลันตายด้วยนี่มีอายุสั้นพลันตายบางทีก็ตายแตในท้องบางทีคลอดออกมาวันสองวันก็ตายบางวันมันยังไม่ตืมตาอ้าปากดูโลกกับเขาเลยตายซะแล้วเพราะว่าเบียดเบียนจัดมาแต่ปางก่อนทำให้อายุสั้นจนที่ บุคคลผู้มีโรคมากและโรคน้อยคนเกิดมาในโลกนี้บางคนก็มีเอาโรคติดตามมาจำนวนมากตั้งแต่เกิดขึ้นมามีโรคติดตัวมาแล้วโรคภัยไขเ้เจ็บมันติดตัวมาแล้วอพอเขาให้เวียนเวียนสัตว์อีกอะไรนี่ก็ได้เวียนเวียนสัตว์ทรมานสัตว์ต่างๆนานาบางทีกกัดปลาบางทีกัดไก่บางที ก, ก, ก, งทก็ชนวัวชนควาย แข็งมากแข็งเมื่อไปํานองนี่ทรมานสัตว์แสนสาหัสสากันถ้ามันไม่กัดกันเอาปลามากัดกันมันไม่กัดกันเขาก็เกาหัวถ้าเกาหัวจังหน่อยเอาเกลือทาเออเาเกลือใส่หัวมันแสบคราวนี้มันก็กัดแหลกกัดแหลกเอเอาตัวไหนมาสู้กัสู้ไปไหนกัดทุกทิ้งทุกอย่างของหน้ามันเอาทำนั่นตัวใหญ่ตัวโตมันก็ไม่กลัว เออทรมานตัดขนาดนั่นไกลก็เหมือนกันอไกลไม่ชนเขามันไม่ชนเขาก็เอาคำหมินหม้อเอาหมินหม้อมอมมอมมันซะก่อนเอาดำๆมายอมตัวนั่นซะก่อนอหรือตัวนี้ก็มอมกันไม่รู้จักกันมันเนี่ยพอเห็นกันมันก็ซัดกันเลยเออชนกันอย่างงั้นหัวควายไม่ชนกันก็หาวิธีให้มันชนกันจนได้ทําอยู่อย่างนี้ จนเป็นอาจินจนชิจน v, จนเคยสมทานทั้งมั่นเป็นนักเลงชนไก่เป็นน a, α, mind, asma, ักเลงแข่งมากเป็นนักเลงกัดปลากันอยู่เป็นประจำจนเป็นอาจินจนชินจนเคยสมทานตั้งมั่นเป็นอาชีพจะด้วยทำไปหาแข่งเอาเงินรางวัลถ้าตัวของเราชนะกระเดยรางวัลลองนี่หาเป็นอาชีพกับชนไก่กัดปลาลองนี่ เบื้องหน้าแต่ตายพวกร่ายแต่เขาย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตและนรกเวลาไปเกิดในนรกัรงนั้นโอ้ยอหัวมันเป็นไก่ตัวมันเป็นคนอหรือว่าขามันเป็นไก่หัวมันเป็นคนด้ำหองนี่เอาค้อนตอีกันอยู่อย่างนั้นอยู่ในนรกเนะ่ะตีหัวกันเลือดออกยังไม่ตายตีกันอยู่อย่างงั้นอ่า ชนกันเหมือนนกไก่เตะกันนี่ละ่ะเป็นอย่างนั้นอถ้าคนจากนั้นมาเกิดในมนุษย์โลกเจ้าไปนะวิเศษวิโสมาจากไหนผลกรรมก็ตามมาตามมาสนองอเกิดเป็นโลกอันนั้นโลกอันนี้อโรคเก็บหูโรคเก็บตาโรคเก็บปันเจ็บแข่ ว, วอะไรต่ออะไรนตามมาบวมขึ้นมานั่นเป็นอย่างนี้อ ถ้าทนได้ก็ได้ทนไม่ได้ก็ตายอยู่อย่างไงล่ะนี่กรรมของตับเยี่ยวกรรมวิปากเกนะสัตตานังกรรมปัจจยาอีบากของกรรมมันตามสนองนะถ้าผู้ที่มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปอีกแล้วทรมานตับไม่เอาแล้วหาจินตของบริสุทธ ถ้าผู้มีปัญญาก็อาจจะเอาตัวรอดได้นี่ปัญญาปัญญายาวิสุทตติอถ้ามีปัญญาแล้วก็หาทางบริสุทธิ์ใจตัวเองได้เราจะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ฆ่าตัดตีชีวิตจะไหวไหมไหวแต่ว่าขยันทางอื่นเดาอขยันปลูกผักปลูกยาปลูกอะไรบักมากเอาเงินเอาทอง ปลูกพริกปูกเขลือปลูกมากๆแล้วก็ <c oughs> ได้เงินได้ทองมาไปเอาไปยังไงก็ไปซื้อเป็นของตายแล้วของมันตายแล้วเขาแค่เย็นมาสมัยนี้เขามีรถเอตูอ้คอนเทนเนอร์อะไรบรรทุกมาจากกรุงเทพแค่เย็นมาแล้วเป็นปูก็ดีเป็นกุ้งก็ดีเป็นหอยก็ดีเป็นปลาก็ดีแค่เย็นมาจากกรุงเทพ เอาไปเอามาจากทะเลหที่ไหนวะเนี่ยเรามีปัญญาเรามีเงินบริสุทธิ์เราหาเงินนํามาในทางบริสุทธิ์ทไรทำนาเป็จริงละปลูกผักปลูกยาเป็นจริงละแต่ได้เงินได้เงินมาแล้วเอาเงินเหล่านั่นไปซื้อของตายแล้วมาเลี้ยงตัวเองอเอาปัญญาวิชาพาตัวรอดได้แล้ววันนี้เอาแต่อย่างนี้มียายคนหนึ่งอยู่คนแกน เขาได้ทอดกระถินทุกปีเขาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเขาทํำยังไงเขามีฝีมือทําขนมทุกอย่างเขาทําเป็นหบดเรื่องขนมอหาหาแป้งมาหม้อหามะพร้าวมาะโคดหาอะไรมาทําก็น้าตาลมาใส่ทําเป็นขนมหลายอย่างนับไม่ถ้วนเขาทําทุกวันทุกวันวันละสองร้อยสามร้อยห่อเอาไปขาย ขายแล้วก็เก็บเงินมาไว้วันละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ขายถ้ามีคนสั่งเขาจะทำบุญชุนทานที่ไหนอยากได้ขนมอสังขยาเลยอยากได้นมอะไรเท่านั้นห่อก็ทําไว้ให้เขาเขาก็เอาเงินมาจ่ายให้ตามราคาเงินเหล่านั้นก็บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนอะไรเลยแต่เงินมาเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ไวทุก ป, ปี ได้ทำบุญทุกวันแต่ว่าถึงขวบปีมาเขาทอดกระถินทุกปีเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใ ด, ดๆเลยเพราะฉะนั้นตระ ก, กูลนี้จึงว่าน่าสละเกินทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอาชีวะบริสุทธิ์สินแท้เขาก็ได้สินบริสุทธิ์ปริพองในที่สุดก็พากันไปบวชเป็นชีทั้งน้องทั้งพี่ ไ้บวชเป็นจีอยู่ถ้ำพาปูนะในที่สุดกระตายเป็นจีนั่นแหละคงจะไม่ต่ำลรอพวกนี้มันวริสุทธิ์วริสุทธิ์จริงๆอยามารักษาศิลแปดอีกด้วยหน้าโมตนาจริงๆเป็นเทวดาแต่ยังไม่ตายพวกนี้นะแต่พวกเราจะมีปัญญาปัญญายะวิสุทธิ์สติใช้ปัญญาพิาจารณาว่าสิ่งใด มันเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเราก็อย่าทำาสาข่าตัดตัดชีวิ ต, วตวเราก็อยาทำสาเราหาแต่สิ่งที่บริโจทย์ขยันหน่อยเอ่อขยันปลูกผักปลูกหญ้าปลูกเต่าปลูกแกงปลูกพริกปลูกถั่วปลูกอะไรหลายหลแต่แล้วกันเอ่อเอาไว้ทำไมเอาไปขายขายแล้วเก็บมาไว้มีฝีไม้ไลายมือในการทำขนมก็จงทำขนมหวาน ้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ได้ค่าหรอกทำมะพร้าวก็เอามาเลยมะพร้าวน้ำตาลนั่นแหละเป็นสื่อมันอะแป้งของหม้อเอาเลยทาเอาเลยไม่ต้องค่าตัดตัดชีวิตเวลาทำไปแล้วมันจะพอริสุดแต่ว่าทำขนมขอยทองฝอยทองอทองหยิบทองหยอดอะไรทองฝอยตองอะไร อาจจะเอาไข่เหลืองไข่แดงมากวนมาตีแล้วก็หยิบอาจจะไม่ดีเหมือนกันละอันนั้นเพราะเบียดเวียนชีวิตจัดอยู่ไข่มันก็ออกมาจากไข่ไก่ไข่เป็ดเอามาตีมากวนอาจจะไม่บริจุทธ์เว้นไว้แต่ไขล่ล้มไข่ขลมมันก็มีไม่นานหรอกไข่ไม่มีตัวผู้มันไม่เกิดอันนี้ไม่เสียเขาไม่ชี้ก็ทําได้อยู่ ใครไม่มีตัวผู้ใครไม่มันมันไม่เกิดเป็นใครลมแน่นอนไอ้ขาวไอ้ชี้อาจจะทำอาหารการกินกอาจจะได้อยู่แต่ไปเอาขาใครที่มันจะเกิดอยู่อย่างนั้นมาผิดศีลอีกนะผิดศีลอีกเปียเป่ยนเปียนจัดไม่ดีเลยเพราะจะนั่นเป็น ญ, ญาติเป็นโยมก็ดีให้สังวรระวังเอาไวา้ว่าสิ่งไหนมันสมควรทํา ก็จงทำไปเถิดสิ่งไหนที่ไม่สมควรจะทำเราก็เวน้นษาเวรมเว ร, เวรามณีเราเว้นแล้วสัมมาธิยามิสมทานตั้งมัน่นไว้อย่าให้มันขาดอยาให้มันด่างมันพ่อยไปเาวนี้ได้แค่นี้เอาหน้าเอามากกว่านี้ไปเรื่อยๆสังวรระวังไปทุกวันทุกวันก็เป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์ผุดของได้หรอก ถ้ารักจะให้มันบริสุทธิ์จริงๆว่ารักษาให้มันบริสุทธิ์ซะอายีวะปริสุทธิ์เถนเพราะเกิดมาชาติต่อไปเราก็จะไม่มีโรคไัเบียดเบียนเราอายุสั้นวลาตายก็เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาแต่ปางก่อนอเกิดขึ้นมาไม่นานก็ตายอายุยืนนั่นเป็นผู้รักษาถิ่นเกิดตระกูลสูงอ คนเกิดตระกูลสูงเน่มีมารยาทดีไม่ดูมินทินแกนคนจนทั้งหลายคนจนๆไม่ดูถูกเข า, เ, าเมตตาปาณีเขาถ้าเรามีก็ให้เขาไปเขามาขออย่าไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นจะพาให้เป็นคนจนต่อไปตระกูลต่าด้วยต า, ถ, า, าถ้าไปด่าเขาไปว่าเขาเสี ย, สยๆหายๆเราจะเสียคน เสียศีลเสียธรรมเสียเมตตาอาจจะเกิดเป็นคนไม่ดีเหมือนเขาแล้วล้ะเรามีความขสัมมาคารวะผููเท่าพู้แกอยู่อันนี้จะเกิดในตระกูลสูงคนคนมีกิริยามารยาทห ย, ยาบหยาเกิดในตระกูลต่ำคนมีผิวดำทำไมจะต้องมีผิวดำคนนั่น กอนจะตายเขาเอาความโกรธเป็นหัวหน้าเขาตายด้วยความโกรธแค้นตายด้วยความชิงชังอิจฉาพยาบาทคนอื่นเป็นใหญ่หน้าดำำําขึําเครียดแต่ยังไม่ตายเลยแต่ยังไม่ตายก็ดําแล้วถ้าตายไปก็ตกนรกถูกยมวาลแห่ทรมานต่างๆนานาเวลามาเกิดก็จะเกิดในตระกูลดําดิดํามากๆ เกิดที่ไหนไปเกิดกับนิกโกนะ้ไเลยเกิดกับนิโก้ไปนะมันดำอมมาหิตจริงๆเกินคนค้นขาววานะค้นขาวนี่มีเมตตาการุณนาต่อผู้อื่นเป็นประจำไม่เคยอิจฉาพยาบาทใครเลยเมตตาเมตตาใครๆก็เมตตาไปหมดยิ้มเย้มแจ่มใสแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายก็ยิ้มเย้มแจ่มใสอ ย, อยู่อย่างนั้น พอตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่พ้นจากนั้นมาเกิดในวัตถุโลกเกิดในตระกูลที่มีผิวพรรณปุดพองอ่ยองยายขาวหรือจะไปเกิดเป็นฝรั่ง เ, เออไปเป็นฝรั่งไนดะ้ขาวขาวใจเหี่ยมก็มีนะเพราะเขามาสะสมเอาใหม่่างนี้ ตะคุณสูญตะคุณต่ำผิวดำผิวขาวเนี่ยมีคำ ม, มัววิบากตกแต่งให้เป็นไปเองบางคนก็มีพวกขสมบัติมากบางคนก็มีพวกขสมบัติน้อยไม่เหมือนกันเพราะการกระทําของเขาไม่เหมือนกันคนมีสมบัติมากเนี่ยคือเป็นคนเสียตลาดอยู่เรื่อยๆมีจานจาคะอยู่เรื่อย ๆ, มยอยอยๆไม่ได้หนีตีเนียวมี เข้าเต้นพักพักอ่าพักครึ่งอะไรก็ให้ทานไปตามมีตามได้ไม่จะหนีทีเหนียวเลยเสียสละอยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่ตายไปไปสวรรค์มาเกิดในมนุษยโลกเกิดในกองเงินกองทองเอ่ารวยนคนรวยมหาสารไม่จะหนีส่วนคนขี้จะหนีทีเหนียวล่ะเอ่าอาปุตกะเศรษฐีเป็นตัวยอย่างอ่ะขี้จะหนีทีเหนียวอื ใครจะไปขอก็ไม่ได้อาบุตรกาเสศรษฐีเป็นเศรษฐีไม่มีบุตรจะมีเงินเป็นหลายๆายโกรธอ่าเวลาจะหงหาอาหารจะหงอยู่ข้างล่างเนี่ยเขามรรทุปญาตก็หงไม่ได้กลัวเขาจะมาขออ่าขึ้นไปหงอยู่ชั้นบนชั้นที่เจ็ดคุณอะไปหงอยู่ น, น่นข่าวหงบรรทุปญาตที่เจ็ดเดือดร้อนเพ่งพยินพยินเข้ามาพยินมาปวดเอา มาขออา้าวเราหนีมาถึงขนาดนี้ยังมาอยู่หรือคนอะมาทำไมะนะโอ้ยได้กินนข้าวมุกทูปใบยา่าดหอมอยากเหลือเกินขอสักหน่อยเถอะทางนะี้นะโอยแปรหาไปตองมาไหมพระอินตร์มีนิลมิตรได้เอาไปตองถึงตองอะไรใหญ่ๆเท่ากระด้งเนี่ยมาเอามาไปใหญ่ๆมาใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้เอาตองมาโอ้ยไปตองมางนี่ ให้หมดหม้อก็ไม่พอหรอกไปเอามาไหมหาใบใบไม้มาไหมใบอะไรก็ไม่ได้หาใบมะขามมาจะให้เอาใบมะขามมาห่อเอา ด, ดูสิคมจ์ดีขนาดไหนใบ ม, มะขามมาห่อเอาก็ให้อย่างว่านะให้อย่างนั้น่ะให้เสียไม่ได้อย่างนั้นะเอาใบมะขามมหอ่อให้มาดีตาย ตายจากเษตียอภุตกาเษตีไปเข้าท้องคนจนคนขอทานไปเกิดที่อื่นก็ไม่ได้ไปเข้าท้องขอทานเวลาแม่มีท้องแม่ไปหาขอทานกับเขาขอที่ไหนก็ไม่ได้ไปขอที่ไหนเขาก็ไม่เมตตาอานิสง์ของทาลกอยู่ในคันเป็นคนจะหนีมาแล้วอพอคลอดออกมาถ้าอุ้มไปขอก็ไม่ได้อีกต้อง อาวางไว้กลางดินกลางทรายตรงนี้ต้องไปขอด้วยตนเองได้ได้สิ่งได้ของได้อาหารการกินมาอพอเลี้ยงลูกวางเลี้ยงตัวเองว่างอถ้าจะมีอุ้มลูกไปนําก็ไม่ได้อีกไปขอไว้ได้อีกหลังนั้นวันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปวินวาทหรืออะไรแตเด็จไปอภุธฐเกิดแล้วเจอที่นั่นคานอยู่กลางทรายนั่นเองพุทธเจ้า ห, หัวเลาะ แย้มพระโอดยิ้มสลดจังเวทอ๋อเป็นถึงขนาดนี้เลยเนี่ยคำวิบากกองโกัิพระนนหรือสาวกเลยถามว่าพระผู้มีพระภาคแย้มพระอดอะไรหรือพระเจ้าข้าดูกนพิกูจน์ตั้งหลายไม่เห็นเหรออาพุทธกะเจ็ดฐีเขาเกิดแล้วเขาเกิดที่ไหนพระเจ้าข้านั่น่ะ ทานอยู่กลางดินกลางใจนะอ่ไปกับแม่ไม่ได้อุ้มไปเขาก็ไม่ให้อะไรเลยไปขอใครเขาก็ไม่ให้ต้องทิ้งไว้นี่ก่อนไปขอได้สิ่งของแล้วแม่จะเอามาเลี้ยงนี่ล่ะความเดนีทีเหนียวของเขามาเกิดเป็นลูกคนขอทานอ่าแม่ตัวอุ้มไปขอทานก็ไม่ได้ตูสิความเดนีทีเหนียวมันขนาดไหนเพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาแล้วไม่ควรจะหนีทีเนียวควรแจกควรแบ่งควรปานอควรสงก้อสงหาพี่ป้านะอาเรียกว่าจาคะบารมีอันหนึง่งเป็นจาคะมาในมาในอริยสัพเพอริยสัพเพ์หนึ่งให้มีศรัทธาเด้อศรัทธาอย่าให้เสื่อมเด้อต้องมีศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใสให้ได้สองมีศิลเนอรต้องมีศิลักษาศินให้บริสุทธิ์เนอร์สามมีหิริความละอายต่อการทำบาปพูดบาปคิดบาปในทางที่บาปไม่ทำมีความละอายอยู่ในใจออสี่โอตปะมีความ เ, ออเกรงกลัวต่อการทำบาปเนอะร์ จะทำบากอะไรเกรงกลัวสะดุ้งกลัวไม่กล้าเขาจะจ้างเนี่ยขนาดไหนก็ไปไม่ได้ทําบาปแล้วเหมือนนังเขาจ้างกันเอาเครื่องบินไปชนตึกประเทศนอกเนี่ยนัน่นแหะนั่นแหะทําทบาปอย่างสาหัสสากันขนาดไหนเห็นแก่เงินแก่ทองไปชนตึกแล้วเขาตายเท่าไหรเ่เขาตายอยู่ในตึกนั่นตั้งหกพันกว่าคนนะเพื่อนไม่ละอายอย่างงี้เรียกว่า ไม่มีโอดตาปะถ้ามีโอดตาปาแล้วไม่ได้จ้างเท่าไหรก็ไม่ได้อดตาปะกพาหูสัจจะอีกอให้มีพาหูสัจจะมีการได้ยินได้ฟังมากๆเด้ออย่าขี้เกียจที่ค้านการยินหรืการฟังอย่าเบือ่อฟังให้รู้เรื่องรู้ราวอฟังธรรมะธรรมโมถ้ามีตำรับตาราเราก็อ่านตำรับตาราบาบุญคุณโทษ ครูบาอาจารย์ไหนหลวงปูไหนทันว่าไหว ย, ยังไงอ่านให้มันจบอหรืออย่างงั้นเทปเทปเปิดเทปฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเพลงนะฟังธรรมะเอาอให้รู้จักจะเป็นผ้าหุเสดจา่าฟังเพลงฟังละครไปอย่างงั้นไม่เกิดปัญญาหรอกผ้าหูเสดจ่าที่ต้องฟัง บ, บ่อยๆได้ยิน บ, บ่อยๆคบข้าสมาคมกับพระท่านบุรุษ บ, บ่อยจ่าฆ่าเด้อคนบอกข้ออข้อที่หกจ่าฆ่าเด้อให้มีการเสียสละอย่าจะนีทีเหนียวอย่ากเก็บอย่าคมอยา่าขอบอย่ากโขยอย่าโค้อย่ากินถ้าไปรู้อํานาจแจกความโลกชนิดนี้แล้วต่อไปก็เป็นคนเสื่อมไม่มีจ่าฆ่าอ่าถ้าได้เป็นเจ้าเป็นนายใหญ่โตไปก็ไม่ทางานสุดจริตได้อ่าอาจจะ ขอรับสัตว์ว่าอาจจะกงอาจจะกินช่อลาดบางดวงไปก็ได้ถ้าไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละแตดีทีเหนียวเอาความแตนีทีเหนียวเป็นใหญ่เหล่านี้ไม่ดีพาให้เป็นคนทุกข์คนจนได้ต่อไปข้างหน้าปัญญาก็ที่เก็ตคือปัญญาใช่ปัญญาใช่วิจารณญาณให้มากๆา ทำดีไหมเนออันนี้ทําได้ไหมเนอถูกต้องไหมเนอถ้าทําลงไปผู้อื่นเดือดร้อนไหมเนาะถ้าผู้อื่นเดือดร้อนอย่าทําเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเป็นการเบียดเบียนเขาก็อย่าทำสิ่งนั้นไม่ดีเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยจิตใจอทํากิริยามารยาทก็เบียดเบียนมันกระลาเดินผ่านไป ถื่อแป้นไป ต, ตึงตึงตึงนี่นเ็เบียดเบียนด้วยกิริยามารยาททำให้ผู้อื่นหมั่นไส่เอาไม่ดี เ, ออเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนดีกว่าพุณว่าอย่างนี้นี่ทั้งเ็ดข้อนี่ให้ได้หนึ่งศรัทธาสองศีลสามมีรีสีอตกับปา 5. ภ้าคาหูจ่าหกจาจาคาเอหก พอหงูเจจ่าจาค้าเจ็จาค้าเราเจ็ดปัญญาหกจาค้าเจ็ดปัญญาทั้งเจ็ดข้อนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในผู้ใดมีทั้งเจ็ดข้อนี้แล้วเป็นคนไม่ย่นเพิดชาติไหนก็ไม่ย่นอ์่ังนี้เอาละพูดมามากแล้วนอสรุปแล้วว่าอกรรมังตะเตวิปัสสติการกระทำของคนนั่นแหละ เป็นการตกแต่งตัวเองอ่ทำดีมันก็ตกแต่งตัวให้เป็นคนดีจิตใจก็จะดีกิริยามยาละย่าดก็ดีกิริยามนลยา่าดคำพูดบอกภาษากิริยาบอกชาติมรยา่าดบอกตระกูลมันบอกไปบงบอกอยู่ในตัวแล้วแล้วแต่งเอาเนี่ยเรารู้จักแล้วเราแต่งเอาก็อย่าให้เขาตำหนิเราได้ เราต้องรักษากิริยามันรายาตเวลาเข้าสู่สมาคมใดสังคมกับใครต่อไปเสื่อนหูงทั้งหลายก็จะเกิดรักเกิดเมตตามากขึ้นเป็นสเสน่ห์ไปในตัวดังที่แสดงมาเป็นปกิณ์น า, ายเพื่อต้องการให้นาเข้าไปไขความปิฎิพิจารณาด้วยปัญญาอันชานฉลาดของตนของตนเองเถิด อปมาธาธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจระพฤฤิไปเต็มความสามารถต่อแต่นั่นก็จะได้ประสบพบเพ็นได้ความสุขความเจริญทั้งทางคาดีโลกและทางคาดีธรรมทุกประการรับประทานฝอยมาข้อสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาและว่นี้ไม่ได้เทศนะฝอยเทศใจนไะ ัะพรเนบะเดอร์เอาเอาความแปลด้วยก็ได้อายุวันโนจกขังพลังอายุนั้นขอให้อยู่ยืนมัน่นสถาพรร้อยปีอย่ามีหยอดได้เหมือนกรอนพลนาขอให้มีผิวกายพลังงามรจนา ผ่องใสวิไลตาพิศโสพาน่าชมเชยไม่ต้องเปเืือนเครื่งสำอางใ ด, ดเลยขอให้มีความสุขนิราดทุกนิราโตกนิราดโลกนิราดภัยแสนจะเบยจ ะ, ะเบยสิ่งใดที่ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบันสิ่งนั้นก็หย่าร้เลยเลวเสื่อมทซ้ำขอให้มีกำลังอันนันตงมากเหลือหลาย กำลังกายกำลังใจกำลังภายในกำลังภายนอกกำลังทรัพย์อันนี้สาคัญมากและกำลังสติปัญญาสามารถอาจหารรู้เท่าทัานเหตุการในที่สุดขหอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเธอแปลเอความมันเลย